ส่งกันบ้านครับคือช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองนี่เพ่งน้อยลงครับแล้วก็บางวันเนี่ยตอนที่เราตอนที่รู้สึกตามดูความคิดตัวเองนี่ก็รู้สึกว่ามันมีความคิดหลายๆอันมันลอยมาในเวลาเดียวกันบางทีก็มีเสียงมันเสียงร้องเพลงวันนี้ก็มีเสียงมือนกัสอนตัวเองว่าต้องทอําทอย่างงั้นทําอย่างนี้บางทีก็รู้สึกว่ามันมีตัวรู้อยู่ตัวหนึ่งดูแบบหลายๆอันมันลอยมาพร้อมๆกันเนะะี่ยเวลา เห็นหลายๆตัวมาด้วยกันนะดูภาพรวมเลยจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ดูว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านไม่ต้องไล่ดูทีละตัวนะดูทีละตัวแล้วงงถ้ามาเยอะๆะแต่ก็<ด>ก็รู้รู้อย่างนี้ไปเรื่อยจะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางครับหลักหลักเราต้องไม่จิ้งนะครับหลักก็คือรู้สภาวธรรมทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆ แล้วบางทีโชคที่เหนื่อยๆมันก็จะรู้สึกว่ามันจะลงมารวมมันนิ่งๆให้มันรวมไปก็ช่างมันใช่ไหมก็รวมไปเรื่อยๆเราจะไม่ฝืนมันไม่ฝืนมันนะอย่างตอนนี้นี่ยังยังเพ่งอยู่บังคับอยู่เพ่งอยู่ยังเพ่งอยู่ยังติดอยู่อีกเยอะไหมครับไม่เยอะเปล่ากว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเดือดสักสามสิบเปอร์เซ็นตอก็ ปัจจุบันนี้ก็พยายามรู้ไอ้สภาวะที่อารมณ์มันเกิดแล้วมันความคิดมันเกิดมันดับอะฮะครนี้คือตรงที่ให้รู้นี่คือว่ารู้ทั้งเกิดทั้งดับรู้รู้เท่าที่รู้ได้รู้เท่าที่รู้ได้ใช่ไหมครับไม่ไม่คาดหวังว่าต้องรู้ละเอียดรู้อย่างโน้นรู้อย่างนี้นะรู้ไปอย่างสบายใจรู้ไปเรื่อยๆคราวนี้ที่ฐานที่ว่าใจเป็นกลางเนี่ยฮะมันมันแบบว่ามันต้องสร้างไอ้ไอ้ความเป็นกลางหรือว่า ให้รู้ทันถ้ามันไม่เป็นกลางให้รู้ทันนะมันเป็นกลางเองอไม่มีอะไรที่เกินจากคำว่ารู้เลยงานที่ทำมีงานเดียวคืองานรู้พราะในสติปัฏฐานมีแต่คำว่ารู้นะหายใจก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุขทุกข์ดีชั่วก็รู้มีแต่รู้ไม่เกินรู้นะเพราะว่าแต่ก่อนที่หลวงพ่อเคยพูดว่าติดเพ่งมากๆปัจจุบันก็รู้สึกว่าก็เลิกเลิกทไปเลยแล้วก็ มามาแบบปล่อยให้มันอยากโกรธอยากวัวเลาะอยากอะไรก็ปล่อยมันไปตามสบายแล้วตามดูไปมันก็ตามไม่ไม่ใช่ปล่อยแบบสเปสสระแต่ว่าพยายามรู้หลวพ่อเทียบให้ฟังนะมันคล้ายๆเราเลี้ยงเด็กจิตเราเหมือนเด็กเวลาที่เราเลี้ยงเด็กเนี่ยเราไม่ใช่ไปนั่งบังคับเด็กทั้งวันทั้งคืนเด็กจะเครียดใจที่ถูกบังคับทั้งวันทั้งคืนมันเครียดรู้สึกไหมไม่ดีแต่เราก็ไม่ใช่ปล่อยเด็กให้มันร่อนเร่ไปตามยถากรรม เราก็ให้เด็กมันเคลื่อนไหวไปแหละแต่เราก็ชำเลืองดูมันบ้างไม่ใช่ปล่อยว่าหลงมาสามวันสามคืนไม่รู้เลยก็ไม่เป็นไรไม่ใช่นะอัวนี้ตอนจังหวะที่จะรู้เนี่ยครับมันเหมือนเราแบบเราแตะเบรกปมายควาว่ามันรู้เองฮะมันต้อให้มันเองค่อยๆไปสัมผัสมันแล้วก็ออกสัมผัสมันก็ออกถ้าสัมผัสแล้วออกเองไม่เป็นไรนะแต่ถ้าตรงใจถ้าจงใจก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรเกินจากคําว่ารู้นะครับต้องไม่ใส่ความจงใจลงไปเลย ตัวจงใจนะโลภเจตนามีโลภเจตนาขึ้นมานะก็ เ, เกิดการกระทํากรรมขึ้นมาเกิดการทำงานทางใจมีการกระทํากรรมขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใจจะหนักหนักปัจจุบันนี้มันยังหนักเยอะไหมครับยังเยอ ย, ยังเหลืออยู่เหลือนิดเดียวนะเหลือไม่มากขอคุณประคองแรงกว่าคุณคนนี้นิดนึงระยะหลังหนู อจะจะรู้สึกถึงกริยาท่าทางอาการของมันนะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยตอนที่หนูชมเรีองมองเออท่านนี้เขาส่งอารมณ์หนูหนูก็ใจมันก็รองไงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถึงตัวเองละมันมันมันจะรู้สึกเหมือนกับมันกระโดดกระโดดแล้วก็ชนเพดานแล้วก็กระโดดกระโดดแบบเนี้ยไม่ทราบถูกหรือเปล่าคะหลวงพ่อถูกถูกถ้าเห็นตามที่มันเป็นใช้ได้รู้ไปเรื่อย ห น, หนูขอโอกาสกลับเรียนถามอีกเรื่องหนึ่งอะคะ่ะทีนี้งานงานที่หนูทำอะคะ่ะมันจะเป็นงาน เ, าเป็นนักกฎหมายเป็นนิติกรนะคะของราชการทีนี้เวลาทำเนี่ยมันจะต้องคิดอะคะ่ะบางทีบางทีพอใจมันกระดุกกระดิกนะีหนูรู้สึกแล้วว่ามันกระดุกกระดิกแล้วมันก็เหนื่อยหนูหนูอยากจะวางอะคือคือถ้าถ้าปกติไม่ไม่ไม่ไมไมจําเป็นคิดหนูก็ไม่ได้คิดยเงี้ยแต่พอเรื่องงานฟับมันต้องคิดแล้วมันมันเหนื่อยมากเลยหนูควรหนุหน ควรจะแก้ไขมันอย่างไรค่ะก็ต้องปลูกความรู้สึกรักงานให้เกิดขึ้นหน่อยใจมันไม่รักงานนละทําใจให้มันรักงานหน่อยนะอ้าวอุนอ้อยจาย์ไทยสารเป็นไงท่านท่นนี้ฉันก็อย่างงานยุ่งอยู่ค่ะเพราะจะเข้าพรรษาแล้วนะคะท่านท่านดีมากเลยนะท่านท่านน่ารักมากเป็นพระผู้ใหญ่นะจาย์ไทยสารวิสาโรมา ท่านไม่ได้มาแบบกลางเคี่ยวกลางเล็บมาเลยนะท่านมาแบบคนที่มาเรียนแท้ๆนักศึกษาจริงๆมาด้วยใจที่น่าเคารพนับถือมากเลยที่สำคัญนะท่านซ้อมมาอย่างดีเลยนะท่านอ่านหนังสือมาท่านฟังซีดีท่านเตรียมตัวมาไม่ใช่มาแบบเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกไม่มีเลยนะค่อยสมเป็นนักวิชาการ <c oughs> สมเป็นนักปฏิบัติท่านภาวนาดีนะ ช่วงช่วงนี้ฟุ้งซ่านค่ะแต่ว่าสองสวันวันนี้ก็อาจจะออมีมีความสุขอะค่ะแต่ก็ก็ดูดูไปอะค่ะออก็ดีแล้วมีความสุขก็รูป้ไปคนนี้ะจะกราบเรียนหลวงพ่ออีกค่ะก็คือไม่ทราบว่าวที่ปฏิบัติมาหเดือนนะคะเริ่มมีสติขึ้นบ้างคะเริ่มมีไ ง, ไงนะใช้ได้ดี ค, ค่อยฝึกไปนะดีแล้วใช้ได้หองจูนมัวไปหน่อย เก่งหมดเรี่ยวหมดแรงไล่ไล่กลับมาตรงนี้ซึมไปหมดแล้วพวกที่สอบผ่านแล้วนะและช่วยส่งไปใครอยากคุยเชิญเลยจะ<อ>จะรบกวนถามอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะว่าเออตอนที่ฟังซีดีอะคะ่ะว่าถ้าถ้ารู้ว่าเผลอเนี่ยแค่พอเราเผลอพอรู้ว่าเผลอเนี่ยความเผลอก็จะดับไปก็ก็ดับไปอย่างจริงนะคะแต่พอคเป็นความโกรธอะค่ะพอเป็นความโกรธ ก, ก็รู้ว่าโกรธ แต่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ความโกรธก็ไม่ดับรู้สึกว่าจิตกับอารมณ์มันเข้าไปรวมกันใ ห, ให้รู้มันเข้าไปรวมกันจิตเราไม่มีแรงจิตเราไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางจิตเราไม่ชอบความโกรธจิตเราอยากให้หายเห็นไหมสติไม่ได้เกิดนะแต่กิเลสเกิดแทนเยอะแยะเลยแล้วก็ปรุงแต่งไปจนเราโกรธความโกรธนั้นก็ได้ไม่อยากโกรธนี่ก็คือโกรธความโกรธอันนั้นแหละเพราะนั้นใจเราไม่ได้มีสติแต่ใจเรากาลังมีโทสะ ให้รู้ลงไปอีกนะอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายนะเวลาที่เราดูกิเลสเนี่ยเราไม่ได้ดูเพื่อให้กิเลสหายไปนะเราไม่ได้ภาวนาออดีสังเกตไหมอย่างความกโกรธเนี่ยถ้าเราไปดูมันเข้าเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วใจเราไปรู้เข้าตรงนี้ดูได้บ้างไหมไม่ทันค่ะไม่ทันก็ไม่เป็นไรฟังไว้เล่นๆนะเดี๋ยววันหลังก็ทันเองะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ละวค่ะ แล้วเออเหมือนกับว่าพอเราเจออารมณ์อันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะเริ่มแบบฝึกหัดใหม่ไหมคะนั่ฟุ้งซ่านลนะเริ่ฟุ้งซ่า น, าน <ะ S 2> ฟล้วการปฏิบัติมีอันเดียวรู้สภาวะธรรมรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, ร, รู้นามเนี่ยลงปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะอะไรปรากฏขึ้นเด่นชัดในขณะนั้นรู้วนั้นไม่เลือกนะไม่ใช่มีว่ามีขั้นตอนมากกว่านี้นะถ้ามีสติ รู้สภาวะที่เกิดขึ้นมีสัมมาสมาธิใจเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นแค่นี้ไม่มีทางปฏิบัติมากกว่านี้แล้วค่ะขอบคุณไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งหัดรู้สึกตัวขั้นที่สองยังเป็นไงขั้นที่สองก็รู้สึกตัวสิขั้นที่สามก็รู้สึกตัวอีกแหละมีขั้นเดียวแหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะถ้าไม่เผลอก็รู้เผลอไปเผลอไปคิดก็มีเผลอไปเพ่งก็มี แล่วก็รู้สึกเอาเป็นยังไงรู้สึกเอารู้สึกเอาพ่อพ่อใจลอยไปหน่อยครับอ่ใจลอยหลวงพ่อไม่เห็นว่าพ่อถือไม่หรอกเห็นใจลอยเลยเรียก <c oughs> กาลังคิดว่าจะส่งอะไรหลวงพ่อดีเพียงแต่ว่าเอาสภาวะตรงปัจจุบันตรงเมื่อกี้ดีกว่าผมชี้เห็นว่ามันมีสภาวะหลากหลายที่มันเข้ามาครับบางครั้งเราก็ไปยึดเขาบางครั้งเราก็ไม่ยึดเขาดูได้ใจที่แบบว่า เป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างตรงนั้นนะครับก็ดีแล้วนี่ป้าเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้ครับจะเป็นกลางหรือจะไม่เป็นกลางก็เลือกไม่ได้นะดูลงเนี้ยดูของจริงไปเรื่อยๆอย่าเรียนเอาของไม่จริงของไม่จริงคือของบังคับได้ก็อะไรๆมันก็เป็นอนัตตานะมันบังคับไม่ได้จริงหรอกใจหนีไปลใจหนีไปแล้ว มันรู้สึกมันกังวลกังวลนั่นแหละกาลังจะคิดอยู่ครับใจถึงถึงหน่อยอย่ากลัวไม่ดีอย่ากลัวไม่บรรลุมรรคผลนิพพานความกลัวความกังวลนั้นเป็นโทสะถ้าตราบใดที่มันยังครอบครองพื้นที่ในจิตใจเราอยู่สติจะไม่เกิดเกิดไม่ได้เลยสติไม่เกิดร่วมกับอกุศลถ้าเราไม่กลัวมันนะเราเห็นใจมันกลัวไม่ใช่เรากลัวแต่ใจมันกลัวใจเราเป็นแค่คนดูเราเห็นว่ามันกลัว ความกลัวมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยเพราะเราไม่เข้าไปแทรกแสงงั้นจิตใจจะปรุงแต่งอะไรก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้หยาบก็ได้ละเอียดก็ได้วิ่งไปข้างในวิ่งไปข้างนอกหรือเป็นกลางกลางก็ได้ให้รู้ด้วยความเป็นกลางไปรู้สภาวะทุกอย่างตามที่เขาเป็นแหละไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างน้อนอย่างนี้ เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีตัวเราในนั้นเลยใจหนีไปคิดละรู้สึกไหมมันคิดอย่าง ร, รุนแรงเมื่อกี้เนี่ยคิดมีสองสเต็ปเลยรู้สึกไหมทีแรกเบาๆก่อนเสร็จแล้วก็โจรวุบเข้าไปเลยไหลวุบเข้าไปเลยเนี่ยไปละไปล ะ, ปละรู้สึกไหม ม, มันรู้สึกมันเบาๆมากเลยอะครับหลวงพ่อมันสังเกตแทบไม่ทันเลยมันลงไปไงมันก็เลยเบาๆ ม, มันไม่ได้บังคับไว้ เพราะงั้นถ้าหนักๆ น, นะผิดแน่นอนถ้าเบาๆอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ถ้าใจเราเครียดๆขึ้นมาผิดแน่นอนถ้าใจสบายโปร่งโล่งเบาอาจจะถูกหรือผิดก็ได้จิตที่มีราคะโล่งๆได้มีความสุขได้ด้วยจิตที่มีโทสะหนักๆจิตที่รู้สึกตัวมีความสุขได้โล่งๆคล้ายๆราคะนะ มีสภาวะที่มีความสุขเกิดขึ้นได้เหมือนกันหลวงพ่อครับเวลารู้สึกตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนแต่ก่อนเลยอะครับมันมันฉลาดขึ้นกว่าก่อนมัน้ง <c oughs> มันจะแฮปปี้อะไรนักหนาโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เดิมมันคล้ายๆเด็กไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะพอมันตื่นขึ้นมาก็โอ้สดใสซับซ่าแต่ตื่นเนืองเนืองเห็นไหมโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลย นอกจากไม่แฮปปี้นะบางทีภาวนาไปเลารู้สึกจืดชืดที่สุดเลยใจจะแห้งแรงเลยบางทีรู้สึกโลกนี้ไม่น่าสนใจความสุขก็ไม่ใช่สิ่งที่อิงอาศัยได้ความดีก็ไม่ใช่สิ่งที่อิงอาศัยได้ความสงบก็ยิงอาศัยไม่ได้ชั่วคราวไปหมดเลย ใ, ใจจะเข้าไปสู่เห็นทุกสิ่งนะเสมอกันหน้าเบื่อเหมือนกันเป็นทุกทุกเหมือนกัน หาสาระแกนสารเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้เหมือนมือนกันหมดเลยใจจะรู้สึกจืดชืดถ้าใจจืดชืดตรงนี้ให้รู้ว่าจิตใจเราจืดชืดให้รู้ลงไปอีกนะความจืดชืดเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกอันหนึ่งหรือความเบื่อความกลัวนี่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาพอใจเราเป็นกลางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยมันจะเป็นกลางกับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ได้เจตนาให้เป็นกลางแล้ว ตอนนี้เป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันหมดเลยเพอใจเข้ามาสู่ความเป็นกลางในระดับนี้จิตจะหยุดความปรุงแต่งลงอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นให้ดูไปมันเบื่อก็ดูไปเบื่อมาช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระเลยดูไปนะดูไปดูไปจนใจเป็นกลางต่อความเบื่อ ใครจะคุยก็เชิญนะยกมือได้เลยเชิญอคนนี้เบอร์เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามน้ามัสการหลวงพ่อครับอพระอาจารย์ครับผมคราวที่แล้วมาพระอาจารย์บอกว่าผมประคองอยู่ผมก็เลยพยายามลองดูแบบปล่อยใจใจถึงถึงอย่างที่พระอาจารย์บอกปล่อยให้มันไปเลยก็เห็นความชั่วของตัวเองอย่างที่พระอาจารย์บอกจริงๆฮะอืแล้วก็ วันนั้นก็นั่งสมาธิอยู่อะฮะแล้วก็มีให้พยาบาลที่เฝ้าคุณยายโทรคุยกับคุณหมอถ้าเจอคุณหมอแล้วโทรมาหาผมพอเจอคุณหมอก็โทรมาผมก็คุยโทรศัพท์ปรากฏว่าอาคุณหมอนี่พูดจาแย่มากอะฮะเราก็โหเลือดขึ้นหน้าเลยฮะโมโหแบบแล้วเสียงพระอาจารย์ก็แว่วเข้ามาในหูบอกอุศนกับอกอุศลมันสอนธรรมะพอๆกันอ ม, มันก็เลยมันก็เลย แทนที่จะด่าไว้ก็เลยไม่ได้ด่าฮะแต่มันก็ยังเดือดอยู่ฮะพระอาจารย์ก็ก็พอวางโทรศัพท์ก็มานั่งหลับตาแล้วก็ทบทวนเนี่ยฮะแล้วคําพระอาจารย์ก็แว่วอยู่ในหูกุศลกับอกุศลเนี่ยสอนธรรมะพอๆกันแล้วก็ก็อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เห็นว่าตัวเองก็ยังชั่วอยู่เยอะอะฮะดีนะดีถ้าภาวนาแล้วเห็นว่าชั้นดีลูกเดียวเลยอาการหนักเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งฮะพระอาจารย์เรา ผมผมตอนทํานั่งนั่งอยู่ปกติเนี่ยฮะจะจะสมัยก่อนจะจะใช้ภาวนาพองยุปะฮะแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านนะฮะไม่สามารถทำสมาธิทําความสงบได้ฮะก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นพุโทโธดูะฮะแล้วก็ใช้พุโทโธอยู่ที่ตรงนี้ครับบริกรรมพุโทโธฟังซีดีพระอาจารย์บอกว่าถ้าใช้บริกรรมมันจะง่ายกว่าก็เลยลองมาบริกรรมพุโทโธดูะฮะก็ยังรู้สึกจิตก็ยังไม่ค่อยสงบเท่าที่ควรนะฮะพระอาจารย์ จนกระทั่งมันฟุ้งมากจนวันนั้นบอกว่าเอ้ามันจะฟุ้งดูซิมันจะฟุ้งไปถึงไหนเราก็เลยบอกอ้าวผมก็เลยหยุดแล้วก็บอกอ้าวช่วยช่วยคิดหน่อยที่คิดให้มันเตลิดเปิดเปิงเลยมันก็ไม่คิดฮะตอนนั้นมันก็แวบเข้ามาในหัวอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยจิตมันเป็นอนัตตาจริงสังพอพอมันจะฟุ้งเราหยุดจะให้มันฟุ้งมันก็ไม่ยอมฟุ้งมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นนะฮะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าช่วงที่ผ่ามารู้สึกว่ามัน มั น, ม, นมันเห็นอย่างที่พระอาจารย์พูดหลายอย่างกับตัวเองแล้วนะฮะและ้วอีกอันนึงก็คืออยากจะรบกวนขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยครับว่าผมคุณจะทําสมถะแบบไหนดีครับหรือว่าไม่ควรทําเลยฮะคือสมถะเนี่ยแค่ไหวพระสวดมนต์นะหรือเรานั่งดูใจของเราไปเนี่ยบางทีใจฟุง้งฟุ้งเราดูไปแล้วมันรวมของมันเองสงบของมันเองมันก็มีสมถะอยู่ในตัวแล้วหรือหัดแต่ของคุณลดรูปแบบลงก่อนจะดีแล้ว มันติดเพ่งอย่างรุนแรงแต่ก่อนนี้ตอนนี้ฝึกอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยวค่อยเอาสมราธิค่อยว่าทีหลังครับช่วงนี้ให้จินให้จิตมันชินกับการรู้สึกไปทีนี้มันมันมันเบื่อเบื่ออย่างเยออาจารย์จะหมายก่อนจะชอบไปดูหนังเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เจิอไม่มีความรู้สึกอยากไปความรู้สึกอะไรต่างๆมันก็ลดลงไปอย่างเนี้ฮะไม่รู้ว่ามันแล้วก็นั่งดูไปนะมันก็เป็นอนัตตาอยู่เละก็เป็นอย่างที่มันเป็น ตามดูไปจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งนะมันไม่ใช่เรานะมันทํางานได้เองทุกสิ่งทุกอย่างเลยดีแล้วนะใจของคุณเปลี่ยนไปแล้วภาวนาเป็นแล้วคอยดูไปมันจะสอนธรรมะเองพ อ, พอใจมันสอนธรรมะรู้สึกไหมจะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อคอยบอกจะเห็นเองนะถึงหลวงพ่อไม่บอกอะ่ะถ้าเรารู้จักการภาวนาถูกต้องมันก็จะรู้เองอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วจิตก็เป็นอนัตตา ธรรมะทั้งหลายเราอย่าไปเกลียดมันอย่าไปรักมันมันเท่าเทียมกันมันสอนธรรมะเรามันสอนใจ ร, รักทั้งหมดเลยเนีย่ยเราค่อยๆศึกษาไปนะอย่างสบายใจอ่อนน้อมทำตนต่อครูบาอาจารย์คือกิเลสของเรานี่แหละคอยรู้มันไปแล้วผมยังควรจะต้องปรับอะไรเพิ่มเติมฮะหลวงพ่อทําให้สบายทําให้สบายนะแต่ไม่ขี้เกียจนะครับผรู้เรื่อยๆไปแล้วการนั่งสมาธิประจําเนี่ยฮะผมใช้บริกรรมพุโทโธ เราก็เพ่งให้จิตอยู่ตรงที่หน้าผากนี่จะกลับนิดนึงพุทโธเฉยๆอย่าไปเพ่งไม่ต้องเพ่งใช่ไหมครับไม่ได้พุทโธให้สงบและวเปล่งไว้ในใจเฉยๆท่องไว้เป็นแบ็กกราวพุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆครับพุทโธแล้วรู้ทันใจไม่ไม่พุทโธให้ใจนิ่งแล้วเพ่งไว้งี้นิ่งแล้วไม่ค่อยนิ่งจริงมันจะเครียดถ้าเมื่อไหร่จิตเครียดเมื่อนั้นจิตจะไม่สงบนะจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่จิตใจมีความสุขจิตจะสงบเอง เมื่เราภาวนาทาอย่างสบายพุโทโธก็พุโทโธสบายสบายแค่เดียวก็สงบแนะล้วหลวงพ่อเมื่อก่อนใช้วิธีขี้โกงนะไปอยู่กับหลวงปู่เทศบางทีท่านสอนได้ยินท่านสอนนะว่าบางคนมีเวลาน้อยนะจะทาความสงบกลั้นลมหายใจเนี่ยแล้วจับที่ความรู้สึกนิ่งๆตังจับไว้นิ่งๆช่วงกลั้นลมหายใจนิ่งได้พักละ แต่ไม่ต้องกลัา้นนานหลายๆนาทีนะเดี๋ยวกลายเป็นกลั้นใจตายกลัน้นกลั้นอึบเดียวรู้สึกไหมลองทําดูนี่ถลําลงไปแล้วฮหนิ่งเฉยแต่ไม่ถลําลพอ์ภาลัพภ์เดี๋ยวต้องหายใจบ้างนะรู้สึกไหมใจมีแรงขึ้นมานี่สมถะจริงๆนะเล่นแค่นี้ยังพอเลยทําอะไรไม่ถูกละเวียนหัวไปหมดแล้วถอนหายใจสักทีหนึ่ง รู้ถึงร่างกายที่ถอนหายใจรู้ถึงจิตใจที่ผ่อนคลายเนี่ยมันง่ายไปหมดนะจับหลักให้แม่นๆ น, น่ถ้ามีความสุขแล้วก็ใจจะสงบอ้าเบอร์สิบเอ็ดไม่มีความสุขมานานแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อแกล้งอีกหน่อยเอาคนนี้เหรออาเเชิญเชิญกราบนมสการหลวงพ่อค่ะ เมื่อสามเดือนก่อนมาพบหลวงพ่อค่ะแล้วก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าไปปฏิบัติวิปัสนามาแล้วก็เพียนแล้วก็เด้งไปเลยค่ะหลวงพ่อเลยแนะนําว่าให้คลายแล้วก็เลิกปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็อยากจะมาขอครับแม่ค่ะก็อยากกลับไปทําอีกนะถ้ามีก็เป็นอีกค่ะที่ทําอยู่มันไม่ใช่วิปัสนาหรอกมีปัสนาทำแล้วไม่เป็นอย่างนั้นค่ะมีปัสนาทํำแล้วเกิดปัญญามีปัสนาไม่ได้ทําแล้วเกิดความเครียดค่ะ การบังคับใจตัวเองต่างหากทาให้เกิดความเครียดมีปัสนาจริงๆนะเมื่อตามองเห็นความยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันไปเมื่อหูได้ยินเสียงเสียงเพลงนี้เพราะถูกใจรู้ว่าถูกใจเสียงคนนี้เขาด่าเราเราโมโหรู้ว่าโมโหหูได้ยินเสียงใจเราเป็นยังไงรู้ทันจมูกได้กลิ่นใจเป็นยังไงรู้ทันนะเช่นเราอยู่บ้านได้กลิ่นอะไรเน่าเน่ รู้สึกไม่สบายใจหนูมาตายจิงจกมาตายอะไรเงี้ยเราไปอยู่ในวัดได้กลิ่นเน่าๆกลัวผีความรู้สึกกลิ่นก็เหมือนกันนะใจยังไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่สถานที่เราคอยดูใจของเราไปเรื่อยลืมคำว่าปฏิบัติซะลืมคำว่าวิปัสสนารูปนามอะไรนะั้นลืมให้หมดเลยนะแล้วก็มารู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปตามองเห็นใจเป็นยังไง ร, รู้หูได้ยินเสียงใจเป็นยังไง ร, รู้ใจเราแอบไปคิด คิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆฝึกแค่นี้ก็พอละนะแล้วมันจะง่ายรู้สึกไหมใจเราคลายกว่าเมื่อกี้ละรู้สึกอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละรู้สึกไม้มตอนนี้ของปลอมเกิดขึ้นลนะเกิดความจงใจขึ้นมาเลยไปประคองให้นิ่งๆไว้เมื่อกี้ไม่ได้ประคองตอนนี้ลดกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมอ่จริงๆต้องไม่ประคองเลยนะใจจะโล่งขึ้นมาเลยอาการผิดปกติทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้น อาการผิดปกติทางกายหรือทางใจเนี่ยเกิดจากภาวนาผิดอ่ะส่งไปเลยไปเบอร์สิครับ <Up. S 2> รู้สึกว่ามันชอบเพง่งๆอะครับใช่อย่างเพ่งอยู่นะทําไมชอบเพง่งล่ะไม่เหนื่อยเหรอรักตัวเองครับฮะมันรักตัวเองครับมันรักตัวเองมันกลัวเผลอใจถึงๆหน่อยใจถึงๆนะถ้าเคร่งเครียดมากๆร้องเพลงสักเพลงหนึ่งก็ได้ร้องเป็นไหม เดี๋ยวนี้เขามีเพลงอะไรบ้างหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยใครเคยฟังเพลงเออต้องถามคนนี้คนนี้นักแต่งเพลงของแกรมมี่นักร้องนักร้องไม่รู้จักทั้งนั้นนักร้องที่เด็กที่สุดที่รู้จักเนี่ยเบิร์เขาก็เรียกป๋าเบิร์และ <laughs> อย่าบังคับนะทำตัวให้ผ่อนคลายภาวาอย่างมีความสุขไปอ้าปัม๊ม อ่ะป้มว่าไงค่ะตอนนี้บางครั้งดูเหมือนจะรู้ชัดขึ้นค่ะแต่ว่าพอพอรู้ชัดแล้วมันยังอยากมันก็เลยกลายเป็นเพ่งอะค่ะนั่นแหละกระบวนการปกติพอรู้แล้วอยากจะดีรู้แล้วกลัวเผลอก็เพ่งก็ให้รู้ไปว่ามันเพ่งเบอร์สิบเอดหลงไปแล้วนะบังคับอยู่แต่ไม่หลงไปด้วยหลงไปบังคับไปอ่ะคุณเอง็งอ่ะเบอร์อะไรเบอร์สามสิบอ่ะ ตอนนี้ก็รู้สึกว่ า, ารู้สึกได้ไวขึ้นนะคะก็ดีนะรู้สึกไปอาการประคอ ง, องที่เป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ค่อยบรรเทาไปหน่อยแล้วค่ะอยังไม่หมดนะแต่ยังมีค้างๆอยู่หน่อยค่ ะ, ะมันเกิดจากใจเราฟุ้งซ่านมากไปฟุ้งมากแล้วก็ไปใจมันดีดกลับเลย พอดีดกลับแล้วมันมีซึมกลับมามั่งเป็นช่วงๆใช่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงซึมค่ะหลวงพ่อค่อยคลายละแต่มันก็คลายแต่เมื่อวานซึมมากกว่าวันนี้วันนี้จะคลายมันค่อยๆแล้วเนี่ยฟุ้งซ่านมากนะมันจะดีดกลับมาซึมค่ะถ้าราคามากนะจะดีดกลับมาเป็นโทสะแต่รู้ว่าจิตมีกําลังมันมันไม่ถึงขนาดว่ารุนแรงเหมือนตอนนั้นนะคะตอนนั้นมันมันซึมบวกแข็งชื้นไปหมดเลยดีขึ้นค่ะค่อยคลายเดอนสิบอ็ดสบายกว่านั้นอีก เรื่องทำได้ไหมเออเนี่ยอยู่ตรงนี้สบายกว่ากันรู้สึกไหมนะเป็นคนธรรมดาดีที่สุดนะอย่าเป็นนักปฏิบัติเลยเป็นคนธรรมดาแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจไปเหมือนตัวเองยังจับหลักอะไรไม่ค่อยได้อะค่ะ ไ, ไจับมันทำไมล่ะแล้วก็มีประมาทไม่ใช่ลิงนี่ได้จับหลักใจเราเป็นยังไงนะรู้เล่นๆไป ภาวนาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมใจสงบใจมีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวกิเลสมาก็เห็นไวขึ้นเห็นไหมว่ามันพัฒนาทุกอย่างเลยตัวเองก็ตามกิเลสไปเยอะด้วยค่ะเออนั่นดีที่รู้ทันแต่เดิมก็ตามแต่ไม่เห็นเห็นหนี่แหละภาวนาเป็นแล้วเบอร์เจ็ดสบหกนมำสศาการหลวงพ่อค่ะก็รู้สึกว่ายังติดแท่งเออ ชอบดึงคืนแล้วก็ประคองไว้บางทีก็แกล้งทำแต่อาการตื่นจริงๆจะรู้จะเกิดขึ้นหลังจากที่รู้อาการพวกนี้อะค่ะดีดีแล้วค่อยฝึกไปใช้ได้ดีรู้อย่างที่มันเป็นอะน ะ, ะรู้ไปเรื่อยๆเห็นไหมมันเป็นของมันมันทงานของมันได้เองอ ะ, ะ, ะอ่างเบอร์สามสิบหกมีอะไรไหมเอาไปทางนี้แลมเอี่ล็อตใช่ไหมค่ะลอตค่ะ อยากอยากรายงานผลปฏิบัติค่ะอืมว่ามาอยากแล้วเห็นไหมก็คะเห็นไหมว่าอยากเห็นค่ะระหว่างรอที่ใจมันกระโดดกระวนกระวายดิ้นใหญ่เลยค่ะดีดีแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่รู้สึกก็คือรู้สึกว่าตัวเองทุกข์มากเลยค่ะอืมแล้วก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะไม่ชอบมันด้วยอืมแต่ว่าก็อ๋อที่รู้สึกว่าปฏิบัติคืบหน้าขึ้นเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยเวลาสุกแล้วจะไม่รู้ตัวแต่รู้สึกว่าเออสุกสุอยากสุกไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเห็นว่ามันมันสามารถดูได้ด้วยแล้วมันมเห็นมันค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างทังที่เป็นรู้สึกตอนแรกรู้สึ ก, กว่าเป็นเหตุเดียวกันอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะอะไรงานก็คือเดี๋ยวนี้ดูรู้สึกว่าต้องใช้ความกล้าหาญในการปฏิบัติค่ะเพราะว่าเวลา อยู่เฉยๆค่ะเกิด <c oughs> นึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมีสตินะพอนึกเสร็จใจมันเกเลรมากเลยมันจะแบบดิ้นๆแล้วบอกไม่เอาไม่เอาไม่อยากปฏิบัติค่ะก็เลยต้องใช้ความกล้าหาญบอกมันว่าเฮ้ยต้อ ง, ต, องต้องคือดูใช้ความกล้าหาญดูตรงจุดที่มันร้องว่าไม่อยากเพราะแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> มันต้องอย่างนั้นสิ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยก็คือพอมันไม่อยากเสร็จจะคิดว่ามันปฏิบัติผิดแล้วก็จะเลิกดูมันไปคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ใช้ความกล้าหาญดูมันไปตรงๆอีกดีดอะไรเกิดนะ่รู้มันตรงๆนะแต่<ะ>อย่า ก, กระโจนลงไปรู้นะรู้มันตรงๆแต่รู้อยู่ห่างๆค่ ะ, ะแล้วก็พยายามพยายามดูเวลาที่จิดมันเปลี่ยนนะคะบางทีก็เห็นว่าเออมันค่อยๆคล้อยอาการแบบคล้อยเปลี่ยนไปแต่ว่าก็สังเกตอใจตัวที่มันดูอาการคล้อยเปลี่ยนนะคะ มันเห็นว่าไอตัวที่ดูด้วยมันมันซึมซึมมืนมนแล้วก็เหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ดูอาการคล้อยอยู่อะคะอ่ะคือจิตมันจะลงพวังาอารมณ์มันคลายจากอารมณ์นั้นปุ๊บมันจะดับลงไปแป๊ บ, บนึ่งตอนนั้นใจมันเริ่มหน่วงอารมณ์แล้วเริ่มเบลอๆเรื่อย ๆ, ๆ, แ, ลๆ แ, ลแล้วก็ดับลงไปเดี๋ยวค่อยขึ้นมารู้สึกชัดๆใหม่เป็นกระบวนการปกติของจิตไอ<น>จิตดวงที่เบลอๆด้วยนั่นเขาเรียกว่าตาารมณจิต แต่ไม่ต้องจําชื่อนะแต่ว่ามันมีจิดตดวงนั้นนะมันจะค่อยๆ ค, คลายอารมณ์มันคลายอารมณ์ออกไปแล้วก็เดี๋ยวดับแฝงลงไปแล้วก็รู้ชัดขึ้นมาใหม่ดีแล้วฝึกไปแล้วก็มีบางทีที่รู้สึกว่าเวลารู้ตัวดีๆอะค่ะจะรู้สึกเหมือนเราเราเกือบเกือบจะรู้อะไรบางอย่างแต่มันมไม่รู้นี่มันต้องอย่างนี้ เห็นเกือบเกือบรู้สึกค <he en S 1> ันคันใน<ห>ใจนะ <c oughs> หรืออีกนิดนึงอีกนิดนึค่งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะรู้อะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันเกือบจะรู้แล้วแหละแต่มันไม่รู้อะค่ะจนเป็นพระนาคาก็ยังมีสภาวะเนี้ค<ห>ันคันนิดนิดอะไรหรืออีกนิดเดียวก็จะแจ้งแล้วนะแต่ไม่แจ้งตอนแจ้งนี่แจ้งอริยสัตวจจะแจมแจ้งในตัวอริยสัจมันมันรู้สึกว่ายังขาดอะไรอยู่ยังขาดอะไรอยู่รู้สึกเหมือนเหนะมือนนะเหมือนเหมือนจะรู้ อีกนิดนึงก็จะถึงละในขณะที่อีกวันหนึ่งหายไปหมดเลยภาวานามไม่เป็นละเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละเดี๋ยวนี้ก็พอเห็นอย่างนั้นก็ยังมีกำลังใจว่าเราดูต่อไปได้ไม่ใช่ว่าหมดกำลังใจว่าดูไม่เป็นแล้วอะค่ะเออนะดูไปดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ากำลังไม่รู้เรื่องอยู่นะอยากให้รู้เรื่องรู้ว่าอยากรู้เรื่องเป็นยังไงรู้ลงปัจจุบันไม่มีพลาดหรอก อ, านะอ้าวนายนิด ระวังหน้าลูกมันส่งกันบ้านน่ากลัวมากเลย <c oughs> แม่แทบจะไม่ไหวคือจริงๆอยากกระส่งอะไรเยอะมือนก็นค่ะแต่เวลาเจอหลวงพ่อแล้วนึกอะไรไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรนึกไม่ออกก็รู้สึกลงปัจจุบันไปค่ะเจ้า <ขอ S 2> แลมเป็นไงบ้างแรมรู้สึกตอนนี้เข้าช่วงวัยรุ่นจะวุ่นวายกับเพื่อนเยอะมากค่ะเรื่องอะไรข้างนอกๆเยอะแรมมันก็บอกแม่ชอบวุ่นวายกับคนอื่นเยอะ แม่ชอบจัดกิจกรรมตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะหรือว่ายังแย่อยู่เไม่ไดีขึ้นค่ะดีขึ้นวันนี้เพิ่งมาหาหลวงพ่อปาโมตครั้งแรกครับก็เมื่อปีเราได้ไปบวชกับหลวงพ่อกล้วยมาครับหลวงพ่อกล้วยก็ได้สอนว่าให้แยกจิตออกไปเป็นผู้รู้ครับปรู้ว่าการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้เราคุ้นรู้จักครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาว่าเมื่อรู้แล้ว เมื่อหาผู้รู้เจอแล้วก็ให้ย้อนสอนนะครับสอนให้ให้ผู้รู้เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นให้มันตั้งมั่นขึ้นนะครับตอนนี้ทําไปก็รู้สึกว่าไอช่องว่างระหว่างผู้รู้กับอาการเนี่ยมันมันมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยมันน้อยลงมันสามารถกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับก็อยากกระทำหลวงพ่อต่อว่าทํายังไงต่อครับต่อไปก็อย่าไปประคองผู้รู้ไว้นะให้มันมีผู้รู้ไว้ไงแต่อย่าไปตั้งผู้รู้ให้แข็งแข็งขึ้นมาให้รู้ไปเบาๆรู้ไปสบายสบาย ผู้รู้เนี่ยถ้าเราตั้งแข็งเกินไปนะมันจะไม่เกิดปัญญามันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะยกเว้นตัวผู้รู้เที่ยงตอนนี้ก็ย้อนสอนว่าอย่างสมมุติว่าเวลาดีใจเนี่ยก็สอนว่าดีใจมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมันเป็นไตลักษณ์คือคือทางที่ดีนะไม่ต้องไปคิดมันให้ดูจริงๆความดีใจเกิดขึ้นก็รู้ความดีใจหายไปก็รู้นะไม่ไม่ต้องไปสอนจิตนะว่าเห็นไหมความดีใจไม่เที่ยงหรอกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสอนมันให้ดูของจริงๆเอา แล้วเวลาเราจะดูจิตดูใจเราสังเกตไหมตัวผู้รู้ปเดี๋ยวนึงก็ดับไปกลายเป็นผู้คิดมันไม่ดับป่ะครับผู้รู้ถ้าถ้ามันขาดสติมันก็จะหลงไปเลยครับไม่ไกลับมากลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปใช่ครับเมื่อตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปครับเนี่ยดูหลงไปตัวนี้ด้วยนะดูว่าผู้รู้ไม่เที่ยงใช่ไหมครับผู้รู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงยกเว้นผู้รู้นะ ในเวลาที่สักยันทิทจะขาดเนี่ยสักยัทิทีขาดได้เพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ใช่เห็นว่าเกือบทุกอย่างเกิดแล้วดับยกเว้นผู้รู้ไม่เกิดไม่ดับถ้าเรายังเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี่เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ล่าไหมเคยได้ยนินหลวงปู่ล่าสอนนะบอกใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะอะไรเพราะจริงๆ จ, จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งครับถ้าดูไปอย่างนี้ในที่สุดก็จะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับหมดเลยครับแล้วถ้าตั้งตัวผู้รู้แรงไปนะมันจะเหมือนกับเราอยู่บนกำแพงนะอยู่ในในปลอมประการเห็นข้าศึกวิ่งอยู่โน่นแต่ตัวนี้นิ่งอยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกสบายปลอดภัยมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อย ไม่ค่อยอินกับเรื่องข้างนอกอบางครั้งแต่ว่าพยายามคลายลงมาเอให้คลายตัวนี้ลงออกจากป้อมมาบ้างครับอยู่บนป้อมนะั้นไม่ชนะนะครับไม่แพ้แต่ไม่ชนะนะครับนี้ท่านสอนให้เข้าป้อมก่อนก็ถูกของท่านแหละเพราะว่าทีแรกยังไม่มีเรี่ยวมีแรงยงไปกระโจนลงไปในสนามลบก็ตายเท่านั้นเองถอยมาตั้งหลักบนป้อมก่อนพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ลงไปอย่าไปจับตัวผู้รู้ให้แน่นๆนะหลวงพ่อเคยผิดน่ะ เมื่อก่อนภาวนานี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งภาวนาแล้วเห็นสภาวะเกิดดับเยอะแยะเลยใจมันตามลงไปดูตามเข้าไปดูลืมตัวผู้รู้ไปพระองค์หนึ่งท่านก็บอกเฮ้ยพระโมทธรรมไปไปดูของถูกรู้ทำไมไม่ดูผู้รู้อา้าวนึกขึ้นได้ลืมดูผู้รู้มานานแล้วกลับมาเพ่งใส่ตัวผู้รู้ไว้พอจ้องไปใส่ตัวผู้รู้ปุบตัวผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้ใช่ไหมมันจะซ้อนเลย เราก็ไปดูตัวผู้รู้ซ้อนไปอีกแล้วก็มีตัวถูกรู้ขึ้นมาอีกนะของผมดูทั้งสองตัวครับทั้งผู้รู้แล้วก็ถูกรู้ครับอย้อนไปย้อนมาย้อนแต่ย้นมาใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะถ้าเพ่งใส่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้ยยอีกตัวหนึ่งมันเป็นความคิดที่ซ้อนไปใช่ไหมครับใช่มันจะซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนอย่างนี้จะเสียเวลามากเลยเพราะว่ามันไปไม่มีที่สิ้นสุดมันปลุงซ้อนเข้าไปเรื่อยๆครับ ได้รู้สบายๆอย่างตอนเนี้ใจหลงไปและวรู้สึกไหมไม่ใช่ผู้รู้อะเป็นผู้คิดมันก็พยายามจะดูความคิดอยู่รครับให้ความคิดเป็นตรงนั้นนะพลาดอย่าพยายามถ้ายัางจงใจดูนะไม่ใช่สติตัวแท้แท้สติจริงๆเกิดเองอย่างตอนเนี้ยทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทําอะไรเมื่อกี้นี้กําลังฟังธรรมะอยู่ครับ รู้สึกไหมตั้งใจฟังเราจะลืมตัวเราเองไปมันเหมือนกับกบลาลังย้อนไปย้อนมาอยู่ครับย้อนตัวหนึ่งก็ฟังรู้สึกไห ม, มว่าเรามีตัวหนึ่งแข็งแข็งอยู่มันมีใจที่แข็งแข็งอยู่อันหนึง่งไม่ชัดอะครับรู้สึกไหมใจเรามันไม่ได้โปร่งเต็มที่มันรู้สึกว่าตอนนี้อาการตื่นเต้นมันมากกว่าแต่ว่าพยายามจะทำให้ผู้รู้มันแข็งแรงกว่าอย่าพยายามสิตรงนี้แหละที่พลาดให้รู้ว่ามันตื่นเต้นนะ อย่าไปพยายามทําตัวผู้รู้ขึ้นมาคือจะไม่พยายามดับอาการนะครับแ ต, แต่แยกผู้รู้ออกมาครับการที่เราจงใจแยกผู้รู้เนี่ยนะเป็นการที่เราทําอะไรบางอย่างขึ้นมาละเกินจากการรู้เบื้องต้นทําอย่างนั้นได้นะแต่เบื้องปลายทําไม่ได้ต้องค่อยค่อคลายออกไม่ทําอะไรซักอย่างเลยเหลือแต่รู้ลูกเดียวของคุณตอนเนี้คุณพยายามจะดันสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้จะดันให้มันแยกออกจากกันก็อบาง จริงเราไม่จําพูดผิดนะครับไม่ไม่ได้พยายามยากแต่พยายามย้อนกลับหาผู้รู้มากกว่าเออย่าพยายามสิตรงที่พลาดเถ้อตรงที่พยายามทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาคือให้รู้อย่างเดียวนะครับ<ห>ไม่ต้องแยกมันออกมาให้รู้ว่าอยาก<ม>อยากแยกออกมานะหลวงพ่อก็พยายามทําแต่ก่อนเนะี่ยไปหาหลวงปู่ดุลยิบสามกุมภาสองห้านะก็มานั่งซัว์อย่างนี้แหละย า, ยามผู้รู้กับศูกรู้ต้องแยกกันนะถ้าวันไหนไหลไปรวมกันแล้วไม่สบายใจถ้าแยกกันแล้วสบายใจ แล้วถ้าขนาดนอนหลับอะครับบางทีมันก็ไม่ไม่หลับอะครับมันก็ว่าผู้รู้เราก็ดูดูอาการง่วงแล้วก็เห็น ม, มันก็ตัวเองกําลังนอนอยู่อะครับออืก็ดูไปเรื่อยเื่อยบางทีมันก็กวจะหลับก็นานเหมือนกันนะครับบางทีคืนนึงได้นอนคร<ก>ับเดียวก <ๆ S 1> ็อย่าไปอยากหลับก็ดูอย่างนั้นเรื่อยเรื่อยรู้เล่นเล่นไปรู้อย่างมีความสุขแปบเดียวก็หลับมันมันสบายครับแต่ว่าทั้งที่กายก็เหนื่อยแต่มันสบายอะครับให้ร่างกายมันนอนไปใจเราก็รู้ไปแต่การภาวนาของคุณต้องผ่อนคลายกว่านี้นิดหน่อยนะ ใจของคุณเนี่ยภาวนาเคร่งเครียดไปครับต้องให้คลายกวนี้ให้สบายรู้ไปแบบผ่อนคลายไม่ใช่รู้แบบจริงจังนะรู้อย่างผ่อนคลายตอนนี้ผ่อนคลายขึ้นยังครับผ่อนคลายกว่าตะกี้ละเผลอไปแล้วรู้สึกไหมแล้วเริ่มแข็งอย่างเดิมละด้วยความเคยชินพอมองออกไหมใจมันจะวกกลับเข้าป้อมอ่ะแล้วมันจะมานิ่งอยู่ด้วยความเคยชินตัวเ น, นี้ตัวนี้ต้องแก้นะ ถ้าไม่แก้จะเดินปัญญาต่อไม่ได้จะไปพรห ม, มโลกเพราะว่าใจเราชินที่จะนิ่งอ่าให้ทียังกลับไปก่อนพรห ม, มโลกหมายถึงว่ามันมันติดสุกใช่ไหมครับมันชอบอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับอมันจะไม่ยอมไปไหนมันจะอยู่ตรงนั้นแหละต า, อาไปแล้วไปเป็นเพระพรหมนะสมมุติว่าผมออกไปเที่ยวกับเพื่อนอไรอย่างนี้ครับมัน คือเห็นเพื่อนสนุกบางทีเราก็ไม่อยากสนุกด้วยมันมันอยากอยู่เมียะมีะป่ะครับก็พยายามจะออกไปแต่ก็พยายามรู้อาการไม่ไม่ตัวสําคัญไม่ใช่อยู่ตรงนั้นตัวสําคัญคืออย่าไปกดใจไว้เราไปบังคับเราไปประคองใจไว้มันเหมือนเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินที่เราสร้างขึ้นมาให้รู้ทันตัวเนี้ยก็พยายามจะออกอาการให้หมดอย่าพยายามให้รู้ว่ามันติดอยู่ให้รู้เฉยๆพอรู้แล้วมันจะค่อยๆลดลงมาใช่ไหมรู้แล้วอย่าไปทํามันขึ้นมาสิ เราก็อย่าไปประคองไว้มันก็คลายไปเองเนี่ยรู้สึกไหมใจเราคลายกว่าอเริ่มแข็งได้ไหมอีกละตรงเนี้ยทาขึ้นม า, แ ล, นนมาแล้วจิตกําลังสงสัยทราบไหมเนี่ยทราบครับเออ ร, ร, รู้ลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแกล้งทํานะตรงเนี้ยประคองไว้ตรงนี้คือดีที่สุดใช่ไหมครับไม่ดีอย่าไปทําอะไรขึ้นมาหลวงพ่อจะบอกอะไรอย่างนะ จิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดเป็นจิตที่วิเศษที่สุดเป็นจิตที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ทํำวิปัสสนาเราเป็นมนุษย์เราได้ชื่อว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนั้นจิตใจมนุษย์นี่แหละดีที่สุดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่สุ kn านไม่ทุกนานไม่ดีนานไม่ชั่วนานทําให้เราเห็นไตรลักษณ์ง่ายนี้พวกเราเวลาภาวนาเนี่ยเราทําลายจิตมนุษย์ไปเราไปสร้างจิตของลมขึ้นมาแทน เราไปน้ําจิตให้นิ่งจิตที่นิ่งๆนะเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษ์ได้นะยกเว้นเห็นตัวเองจะเห็นว่าตัวเองเที่ยงจะเห็นว่าตัวเองเนี้เป็นที่พึ่งอาศัยได้เพราะฉะั้นอย่าไปทําจิตให้เป็นโฟมทําลายจิตมนุษย์นึกออกไหมก่อนที่เราภาวนาจิตใจของเราตอนที่เป็นคนธรรมดาเนี้มันไม่ได้นิ่งๆนึกออกครับเออนั่นแหละกลับไปเป็นอย่างนั้นตอนนี้เป็นขั้นเจริญปัญญานะ ถ้าเบื้องต้นนั่นแหละต้องแยกผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ออกมานี่ของคุณพอแยกออกมาแล้วเนี่ยมันไปจับเอาตัวผู้รู้มากไปมันไปเอาตัวผู้รู้นะมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยมากเกินไปจนมันติดอยู่ที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคลายออกจากตัวผู้รู้มีตัวผู้รู้อยู่แต่ว่ามีสักว่ามีเท่านั้นไม่ใช่มีอย่างชัดเจนคมกลิบคงที่อยู่แค่นั้นไม่งนะั้นตัวผู้รู้จะเที่ยง ตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมทราบครับเออใจไปคิดก็รู้นะเนี่ยใจเริ่มบังคับตัวเองให้นิ่งแล้วนะพยายามจะกลับไปเป็นโฟมแล้วเนี่ยใจตรงนี้โล่งรู้สึกไหมรู้สึกครับจิตตัวนี้แหละที่ถูกต้องอะ่ะจิตตัวงตะกี้นะดวงแว็บตะกีนะ้นั่นน่ะนั่นแหละคือจิตผู้รู้ตัวจริงแหละนะส่วนจิตที่เราตั้งไว้แข็งแข็งไม่ใช่ตัวผู้รู้จริงๆหรอกเป็นตัวผู้รู้ทดลองไว้ก่อนสัมลองไว้ก่อน พอเราคลายจากตัวผู้รู้ที่เราตั้งออกมาปั๊บจะเป็นตัวผู้รู้จริงๆเหมือนที่ตัวตะกี้เนี่ยสังเกตไหมตัวตะกี้ไม่มีอะไรเลยจำไม่ได้ไไดครันาจำไม่ได้เพราะมันสั้นมันเกิดสั้นเนี่ยไม่ขี้ใจไหลไปคิดรู้ไหมรู้ครับอ่เนี่ยเริ่มบังคับให้นิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมรู้ไหมเราถลาลงไปจ้องมันแล้วไม่ถลาลงไปจ้องนะถอยขึ้นมารู้สึกงงบ้างไหม ยังงงอยู่บ้างครับเอองงรู้ว่างงนะใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกไหมใจเราสว่างกว่าเมื่อกี้รู้สึกครับเห็นไหมเราจะต้องใจเราสงบกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมใจเราสงบใจเราสว่างใจเราเบ า, ใจ เ, า, เบาใจเราอ่อนโยนนุ่มนวล จิตที่เบาจิตที่อ่อนจิตที่คล่องแคล่วว่องไวจิตที่นุ่มนวลจิตที่มีความสงบสุขอยู่ในตัวเองนั่นแหละเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาส่วนจิตผู้รู้ที่แข็งแข็งกระด้างไม่ใช่จิตผู้รู้ตัวจริงหรอกเป็นตัวผู้รู้สำรองขึ้นมาทดลองขึ้นมาก่อนมันใช้อาการไหมครับฮะมันใช้อาการของจิตไหมครับที่หลวงพ่อบอกว่ามันแข็งกระด้างครับใช่จิตคือหลงไปในอาการใช่ไหมครับใช่เราแยกออกมาไม่ได้ใช่ไหมเราเราไปบังคับมากไปนันเลยแข็งกระด้าง นึกถึงจิตใจตอนที่ยังไม่เคยปฏิบัติออกไหมนึกออกครับนั่นแหละกลับไปเป็นอย่างนั้นจิตตรงนี้เบากว่าเมื่อกี้ดูออกไหมครับนะเนี่ยค่อยฝึกไปนะตัวผู้รู้จริงๆไม่ได้แข็งแข็งอย่างที่คุณทําอันนั้นเป็นตัวผู้รู้สมมุติขึ้นมาก่อนเทนะ่านั้นเหมือนตั้งเป็นตัว x ไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าคืออะไรแนละ้วตั้งสมมุติไว้ก่อนแต่ตัวผู้รู้แท้ๆพอมันเกิดแล้ ว, ม, ลวมันเบามันนุ่มนวลมันอ่อนโยนมันคล่องแคล่วว่องไว ตอนนี้เริ่มแข็งอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับจับไปเป็นคนธรรมดาอีกทีสิมันไปจับจ้องตรงอาการครับใช่ใช่ก็เลยหลงไปเลิกซะครับตัวนั้นแหละทำผิดอยู่ถ้าคลายออกนะเราจะเห็นทุกอย่างไหวตลอดเลยเคลื่อนไหวตลอดนะไม่มีอะไรที่คงที่อยู่สักตัวเดียวเลยเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมแล้วก็ไปรวบมันขึ้นมาเนะีย่ยทานึกออกป่ะมันพยายามจะกลับไปครับย้อนหาไม่พยายาม ความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ตรงนั้นจำไว้นะเนี่ยประโยคเด่นนะคนนึกว่าพูดเล่นนะโอโหกว่าจะกล้าพูดประโยคนี้ไม่ใช่ง่ายนะดีแล้วใจค่อยคลายออกและขอบคุณหลวงพ่อมากครับอดทนนิดนึงนะเรียนกับหลวงพ่อต้องถูกทุบนุม่นมๆอย่างเงี้ยดีต้องทนทนเอาอ่ะว่าไปโยมาพบหลวงพ่อครั้งแรกคร่ะรู้สึกเขาถามกัน เราเราเลยไม่กล้าถามเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะดูๆแล้วไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรหให้รู้ใจ<ร>ตัวเองไวสังเกตแม่ใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์บางวันก็เฉยๆหหให้ดูใจของเราไปเรื่อยๆใจเร า, าเป็นสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ฝึกแค่นี้ก่อนนะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านาแล้วถ้าเวลาเราเราโกรธโกรดก็รู้ว่ามันโกรธเราไม่ดับหรอคะ เราจะเถียงไปทุ่ๆเจุ่จ้าไม่ไม่เอาสิขั้นแรกถือศีลไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นจะโกรธไม่เป็นไรใจมันโกรธไม่ว่ามันนะแต่มือเท้าปากเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะถือศีลไว้ก่อนเอ้าหนุ่มหลงไปละค่ะว่าไงทีนี้ทุกวันก็ให้โยมเดินจงกรมไหมคะเดินสิเรายังมีขาเรายังเดินได้เราก็เดิน แต่นั่งไม่นั่งใช่ไหมคะเพราะว่ากำลังนั่งอยู่นะเนี่ยพอถ้านั่งครึ่งชั่วโมงนี่คิดเป็นร้อยเรื่องเลยนะคะงั้นก็เดินเอาเดินแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองนะเดินแล้วใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดเดินแล้วใจไปเพ่งร่างกายไว้รู้ว่าใจไปเพ่งไหมเดินแล้วใจใเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนันเอาหน่มหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจไม่เป็นมนุษย์ปกติแล้วเกินธรรมดาแล้วรู้สึกไหม มันก่อมกึ่งอยู่ครับมันกําลังหาตรงที่ว่าพอดีอะครับเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ได้หาครับคือพอรู้ว่ามันไม่ใช่ตรงนี้ครับเราก็ทําแค่รับรู้เฉยๆแล้วมันก็จะกลับไปตรงที่จิตเดิมแท้ครับแต่สักพักไม่นานมันก็กลับไปที่เดิมอีกครับตัวนี้ไม่ใช่จิตเดิมแท้นะครับยังไม่ใช่หรอกจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งเนี่ยมันจิตภาษาปริยัติชื่อว่ามหากริยาจิตจะเป็นจิตของพระอรหันต์ นี่ของเราจิตมันเป็นพื้นจิตของเราพื้นจิตของของคุณตอนนี้ก็คือจิตที่เป็นพรหมจิตที่ประคองไว้ในความนิ่งเพราะนั้นพอเผลอๆไปพอรู้สึกปุ๊บจะวกกลับเข้าหาจิตตัวนี้อีกลองลืมมันไปลืมจิตตัวนี้ไปไปใช้จิตธรรมดาของมนุษย์ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ไปตรัสรู้ในพรหมโลกเพราะพรหมโลกจิตของพรหมเนี่ยไม่ได้เหมาะที่จะทำมิปัสสนา จิตของพรมหมหมอยัดใช้ทําสมถะจิตที่ใช้ทําวิปันสนาดีที่สุดนะัคือจิตของคนธรรมดาดันั้นเราอย่าไปดัดแปลงจิตใจให้ผิดธรรมดาเราปล่อยจิตใจเราเป็นธรรมดาธรรมดาอย่าไปประคองไว้แล้วเราก็ตามดูมันไปเรามีผู้รู้อยู่นะแต่ผู้รู้เนี่ยเหมือนกันมีครึ่งเดียวมีผู้รู้อยู่ครึ่งเดียวไม่ใช่เป็นผู้รู้ที่ชัดๆถ้าเป็นผู้รู้ที่ชัดๆเนี่ยนะจะเป็นจิตแบบพรหม นี่เรามีจิตผู้รู้แค่ว่าไม่ได้หลงตามอารมณ์ไปเช่นมีกิเลสมาใจไม่หลงตามกิเลสไปนี่เยวมีผู้รู้อยู่ในขณะเดียวกันไม่ได้เพ่งจิตให้นิ่งไว้ถ้าเวลากิเลสมาแล้วใจเราหลงตามไปนี่เรียกว่าหลงถ้าเราประคองจิตไว้กับตัวผู้รู้เรียกว่าเพ่งนี่คือความสุดตรงสองข้างคือต้องทำให้สองข้างมันพอดีกันใช่ไหมครับเออไม่ทานะ เนี่ยตรงที่หัวเราะรู้สึกไหมใจโล่งออกมารู้สึกครับรู้สึกไหมเพราะอะไรมันโล่งขึ้นมาได้เพราะเราไม่ได้ทําอะไรเพราะเราหยุดทำต่างหากะ่ะมันถึงได้ตื่นขึ้นมาเมื่อไรที่ลงมือทําเมื่อ น, นั้นก็คือปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองเมื่อไรหยุดการกระทําโดยสิ้นเชิงนะไม่ปรุงไม่แต่งนะใจก็จะตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นเลยตัวนั้นแหละเป็นใจตัวเดิมตัวแท้จริงๆใจที่ประภัดสอนเป็นจิตที่ประพัดสอนขึ้นมา ตอนนี้เป็นจิตไปคิดแล้วทราบไหมทราบครับรู้สึกไหมตรงที่ทราบว่าจิตไปคิดแล้วนี้ยนะมีสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแวบหนึ่งมันเร็วมากจนดูไม่ทันนะนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องชัดนะถ้ามันเกิดบ่อยๆเดี๋ยววัหลังมันมันแม่นเองมันเกิดทีลักษณะเดียวช่วงขณะเราถ้าเวลาที่จิตเกิดแรงๆเช่นโมโหแล้วโมโหสุดขีดหรือว่าดีใจสุดขีดนะครับควรจะต้องทํำยังไงอะครับก็ถือศีลห้าไว้ก่อน มโมโหสุขีแล้วก็ดูดูใจของเราที่มันดีดดิ้นไปอย่าไปอยากให้หายนะคือถ้าถ้าเกิดช่วงนั้นต้องสมมติต้องทําข้อสอบนะครับมันไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้คือเราต้องดับมันแล้วครับถ้างั้นทําสมถะดับอย่างเดียวใช่ไหมครับดับลูกเดียวเลยแล้วก็นะต้องทําตรงนั้นไปก่อนแล้วค่อยกลับมาทำทีหลังใช่ต้องฉลาดนะสมถะก็เป็นเครื่องมือนหนึ่งวิปัสสนาก็เครื่องมือนหนึ่งอะเนี้ยศรัท ธ, ธาสติสมาธิปั ญ, ญญาเป็นเครื่องมือทั้งหมดตอนไหนจะใช้ตัวไหนต้องฉลาด ตอนนี้จำเป็ น, นชุกเฉินแล้วใช้สมถะให้จิตสงบก่อนแล้วก็ตั้งใจทำงานไปทำข้อสอบไปไม่ใช่ทำวิปัสนาลูกเดียวนะทำข้อสอบตามมองเห็นรูปสักว่าเห็ น, นส่งกระดาษไปให้อาจารย์อาจารย์ก็สักว่าเห็นอีก <c oughs> อคนไหนมีอะไรไมหมเชิญเมื่อวานกลับไปช่วงช่วงก่อนก่อ น, นคืนนะคะ ก็จะจะไม่รู้ตัวจะลืมตัวไปเลยแต่ว่าพอกลางคืนอตอนเช้ารู้ว่าจะมีโอกาสจะได้มาส่กันบ้านก็เหมือนกับจะไปรอดูว่าเอ๊ะอยากจะได้กันบ้านมาส่งอะค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรก็ให้รู้สิให้รู้ว่าอยากก็ไม่ได้อะไรก็เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเลยค่ะมไม่เคยไม่เคยรู้สึกอย่างเนี้ค่ะก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยไม่เอาไม่เอาระหยุดไม่ทำอะไรให้มันเหนื่อยแต่ว่าก่อนก่อนหน้าที่จะมาที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเหมือนรู้อะค่ะแต่ไม่แน่ใจหรอกว่า ใช่ใช่หรือเปล่าแบบว่าบางวันก็มันเห็นว่าเห็นชัดเห็นชัดแต่ว่าวันสองวันมาเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ธรรมดาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันไม่ต้องแน่ใจไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจใจถึงถึงนะคใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ใจไม่ได้ก็รู้ร่างกายไปเห็นร่างกายนี้หายใจไปเห็นท้องพองยุบไปเห็นขามันเคลื่อนที่ไปดูใจไม่ได้ก็ดูกาย ดูกายไม่ได้เลนะไหว้พระสวดมนต์ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใจก็สงบพอจิตใจสงบจิตใจมีความสุขเรารู้ว่าใจมีความสุขเนี่ยเรากลับมาดูจิตได้อีกละหมุนเวียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตเดี๋ยวก็ทําความสงบค่อยฝึกไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนนะอย่าใจร้อนบางวันบางวันจะมีว่าโกรธอะค่ะรู้สึกโกรธแต่ว่าก็พยายามคิดว่าไม่โกรธไม่โกรธอะไรเงี้ยใช่ไม่เอา จะเป็นบ่อยロロロเราก็ชอบผิดกรัวกวสิไม่ใช่กรัไปดูให้หายกรัน ะ, ะเราปฏิบัติต่อกิเลสนะเหมือนกิเลสเป็นน้ำไหลมาใจเราเหมือนเรือเรืออย่าไปขวางน้ำนะะเรือก็อย่าลอยตามน้ำไปเราคอยมีสติรู้ทันใจเราใจเราไม่วิ่งตามกิเลสไปในขณะเดียวกันเราไม่ต้านกิเลสเลยถ้าเราไปต้านกิเลสเมื่อไหร่นะกิเลสจะมีกาลังแรงกล้า ถ้าเราไม่ต้านมันจะไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหายไปเลยทําใจสบายๆดูเล่นๆ เ, เอาหนุ่มอย่าน้อมจิตอย่างนั้นนะน้อาจิตเดี๋ยวถ้าไปฝึกสะกดจิตนะฝึกง่ายเลยจิตอย่างแต่เกียจจิตจิตเป็นไงตอนนี้รู้สึกไหมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกแล้วนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นมนุษย์ธรรมดาไว้ไม่เผลอ แต่ไม่ได้บังคับไว้อ้าว่าไปถึงไหนแล้วกราบพระอาจารย์ค่ะก็รู้สึกใจวุ่นวายอยู่แล้วก็คิดมากด้วยค่ะเมืม่อวานกลับจากที่นี่ก็ไปอยู่ที่ที่พักก็วุ่นวายมากนี่แม่อ๋อทำไมลามีลูกเป็นพระทำไมจะต้องวุ่นวายใจ <laughs> ปกติก็จะเป็นคนคิดมากอะแล้วก็คิดมากาลองจวนมากสมมุตินะสมมุติว่าใจเราเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งเราจะเลี้ยงเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่ชอบให้ใครบังคับแต่ว่าถ้าไม่ดูแลมันก็หนีไปหาเรื่องมาเข้าบ้านแล้วเราดูแลจิตใจเราเหมือนเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเราไม่กดขี่บังคับมันตลอดเวลา ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปล่อยปละไม่สนใจมันเลยทั้งวันทั้งวันไม่ดูแลเลยไม่ใช่เราเวลามันมีอะไรแปลกๆเช่นเราเลีล้ยงเด็กเด็กมันร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปดูซิมันเป็นอะไรใจเรามีกิเลสแรงๆขึ้นมาเราก็ย้อนไปดูสติถิงถ้าใจมันยังไม่ได้มีอะไรเราก็ทําอะไรของเราไปตามหน้าที่ของเราลองจัดการกับจิตใจของเราเหมือนเราเลี้ยงลูกอะ่ะไม่ได้บังคับตลอดแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปล่ะละเลยไม่สนใจเลย พอดีพอดีนะเด็กคนนี้จะได้เติบโตขึ้นมาเราเลี้ยงเด็กโตขึ้นมาหลายคนแล้วมาบวชสองคนแล้วลูกชาย <c oughs> มีลูกชายสามคนคนโตก็บวชนือบวชแล้วสึกไปคนที่สองบวชไม่ยอมสึกคนที่สามบวชอีกไม่ยอมสึกอีกก็บางคนก็บอกว่าถ้าลูกบวชแล้วแม่ก็ดีใจปลื้มใจอะไรก็เป็นบางครั้งนหะคะ่ะ <c oughs> แต่บางครั้งก็คิด <c oughs> เงินหยงินหยิบเพราะว่าหงินหยิบนะคิดมากรามภาษาค่ะบางครั้งก็เงินหยิดเป็นห่วงเราะว่าเป็นห่วงค่ะค่ะก็พอดีบางทีก็ยุ่งกับการงานทางบ้านด้วยอืมเนื่องใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมใจเราหนีไปไปคิดคิดคิดคิดค่ะเราก็รู้ทันว่าใจเราหนีไปค่ะก็พยายามดูหนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมหนีไปอีกแวบหนึ่งแต่คอยรู้เรื่อยๆรู้เล่นๆไม่ต้องรู้ตลอดเวลา รู้บ้างเผลอบ้างถ้าพยายามรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นการนั่งจ้องไว้เพ่งไม่ดีเครียดก็พอดีพระลูกชายชวนมาหาพระอาจารย์ก็ทั้งดีใจตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยด้วยก็บ้านอยู่ทั้งไกลอยู่ปักใต้มานี่ไม่ใช่ใกล้นะอยู่สุราธานีนะ่ะอยู่สุราษฎร์เนะีนี่คนนครก็มีคนนครในนครอยู่โน่นคนนคร ก็จะพยายามหัดดูใจไปเรื่อยๆค่ะจริงๆนะเราเลี้ยงลู ก, รกเราเเลี้ยงลูกนะเราอยากให้ลูกมีความสุขใช่ไหมจริงๆอ่ะพ่อแม่เลี้ยงลูกอยากให้ลูกมีความสุขแต่พ่อแม่ชอบไปคิดแทนลูกว่าทําอย่างนี้สิจะมีความสุขความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางทีเราคิดแทนลูกว่าถ้าลูกเราไปมีเมีย ม, มีลูกมีหลานแล้วจะมีความสุขอย่างเงี้ย มีเงินเยอะๆจะมีความสุขอะไรเงี้ยเราคิดแทนบางทีความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราความสุขอยู่ที่ความพอใจบางคนพอใจที่ได้บวชเขามีความสุขถือว่างานของเราเสร็จแล้วนะเราเลี้ยงลูกจนลูกเรามีความสุขละเราหมดภาระละเหลือตัวเองตัวเราเองต้องมีความสุขด้วยชีวิตเกิดมาไม่ใช่เพื่อเกิดมาทุกนะไม่ใช่เกิดมาสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นมากขึ้น เราต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นความสุขอย่างโลโลๆมันสุขได้เหมือนกันแต่ชั่วคราวอย่างเราเป็นคารว่าส์หลาย10ปียมรู้สึกไหมลองนึกถึงสิ่งที่สุขที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาแล้วมันหายไปหมดแล้วความสุขที่เราว่าดีนักหนาเราอยากให้ลูกเราได้ลิ้มรสชาตินี่ล้นแต่ไม่คงที่เลย กระทั่งความสุขที่เราเคยมีอยู่ใช่ไหมถึงวันหนึ่งมันก็หายไปหรืออย่างอื่นก็มาหายไปเงื่นวิถีชีวิตที่เราเลือกผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ใช่วิถีชีวิตที่ทําให้เรามีความสุขร้อยเปเหรอกเราลองมาศึกษานะลูกมาบวชแล้วเราลองมาศึกษาใจของเราหลวงพ่อกล้า ย, ยืนยันเลยนะถ้าศึกษาจิตใจของเราแจ่มแจ้งนะมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อเป็นคารวะมาตั้ง48ปปีกว่าจะได้บวช อายุมากกว่าจะได้บวชเพราะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยูนะ่ไม่ได้หนีมาอย่างนี้นะเลี้ยงพ่ อ, <c oughs> พอเลี้ยงแม่นะเสร็จแล้วแม่ตายไปแลเหลือแต่พ่อนะเลยชวนพ่อมาอยู่วัดพ่อก็มานะพ่อใ ห, ให้เราบวชพ่อมาอยู่วัดด้วยเราภาวนาเราพบเลยว่าจริงๆแล้วธรรมะให้ความสุขมากที่สุดเลยความสุขในทางโลก หลวงพ่อรู้จักเป็นอย่างดีเหมือนที่โยมรู้จักนั่นแหละลูกเมียต้อมีนะไม่มีลูกนะถ้ามีลูกไม่มีความสุขนะมีเมียสนุกกว่าใช่ไหมดีกว่ามีลูกไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยเหนื่อยมีเงินใช้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใช้มีบ้านอยู่มีรถขับใครเขามีอะไรเราก็มีกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยล้วก็นึกว่ามีความสุขเหรอมันก็สุขเหมือนกันนะสุขสุดิบๆิบอ่ะแต่พอเราภาวนาเราจะรู้เลยเรื่องพวกนั้นนะเรื่องเล็กน้อยมากเลย ใจิตใจที่มีธรรมะหล่อเลี้ยงนะมันเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำํำมีน้ํามีปุ๋ยมีแสงแดดมันงอกงามมันปรีดอกออกใบสวยงามมากขึ้นมากขึ้นนะในขณะที่ต้นไม้ทางโลกยิ่งแก่ยิ่งเหี่ยวยิ่งเหี่ยวยิ่งเฉาไปเรื่อยๆเพราะฉั้นลูกเราเลือกวิถีชีวิตอย่างนี้ก็ดีของเขาแล้วล่ะเขาก็สุขแบบของเขานะของเราเรียังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเราสุขร้อยเซเราก็สุขบ้างทุกบ้าง อย่าเป็นห่วงนะอย่าห่วงมากห้ามไม่ให้ห่วงไม่ได้พ่อแม่ต้องห่วง่าก็เห็นลูกชายคนโตเขามีลูกแล้วก็เห็นวุ่นวายมากเหมือนกันค่ะนั่นแหละหลวงพ่อก็ว่ า, างั่นแหละค่ะก็เลยคิดว่าคนอื่นไปบวชก็คงจะน่าจะดีบวชแล้วถ้าเขาศึกษาปฏิบัตินะ ก, ก็ดีนะต้องศึกษาปฏิบัติให้ดีเอยถ้าก็บวชเลว ๆ, ลวๆไรๆไม่ดีหรอกไปเรียกให้ศึกจะดีกว่าจะได้ตกนรกน้อยหน่อย นี่ลูกเราบวชแล้วภาวนาดีแล้วละ่ะถ้าเราจะตายนะเรานึกถึงนะเราไปสุคติเลยไปสุคติได้ก็จะพยายามฝึกดูจิตใจความจริงวิธีวิธีที่ดีที่สุดนะไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกก่อนฝึกจิตของเราถ้าเราฝึกจิตจนเราพบนะว่าเอ๊ะธรรมะให้ความสุขเราได้มากมายเราจะไม่ไม่กังวลแล้วว่าลูกเราเลือกเส้นทางนี้ เหมือนญาติโยมจํานวนมากที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจิตตื่นขึ้นมานะจิตใจมีความสุขจะสมมุติว่ามีลูกลูกจะไปบวชเนี่ยจะไม่กลุ่มใจเท่าไหร่หรอกรู้ว่าเขาจะมีความสุขนี่เรายังไม่เคยลิ้มรสชาติของธรรมะเราเคยลิ้มรสชาติแต่ทางโลกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้ตลอดไปไหมเดี๋ยวแก่ๆ แ, แล้วสึกออกมาจะทําอะไรกินเคิดล่วงหน้าไปจนเ่าแก่นะลืมไปว่าตอนนั้นเราก็ตายไปแล้ว เอาตัวรอดตอนนี้โอ้ยวันนี้ทําไมมันไม่หมดเวลาสทัท <c oughs> ีเหนื่อยเอาว่าไปว่าไปก็มาข้างแรกครับแล้วก็มีปัญหาว่าเกิดการเกร็งแล้วก็เพ่งออกไม่ได้โยมใจถึงไหมถ้าใจถึงเนี่ยนะลืมคําว่าปฏิบัติไปก่อนครับลืมคําว่าปฏิบัตินะถือศีลห้าไว้ แล้วใช้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยท ร, รมาหากินไปเลี้ยงครอบครัวไปนะแล้วแต่ละวันเนี่ยเราก็คอยชำระล้งดูใจของเราเป็นระยะระยะไปมันจะไม่เครียดหรอกการภาวนาที่ภาวนาแล้วเคร่งเครียดเนี่ยภาวนาผิดการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การฝึกเก็บกฎแต่ว่าพวกเราชอบไปเก็บกฎเวลาภาวนาเราจะบังคับเอาบังคับเอาข่มเอาข่มเอ า, เอ า, เอานะใจจะเครียด ใจเครียดไม่มีความสุขนะจิต ท, ที่เครียดเป็นอกุศลนะ เ, เมื่อเราเมื่อเราทำผิดนะอย่าเสียดายเลิกไปเลยได้ไหมเป็นมนุษย์ปกติทำาหมืนตามปติสนุกสนานเอเหมือนเหมือนคนธรรมดานะแต่ถือศีลห้านี่ผิดกับคนทั่วๆไปตรงนี้มีศีลห้าไว้ดูหนังก็ได้ดูหนังแล้วมันขำขึ้มารู้ว่าขำดูแล้วรู้สึกไม่เห็นขำเลยทุเรศรู้ว่าทุเรศ เราเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเราเมียเราขี้บน่นรำคาญ ร, รู้ว่ารำคาญนะอะไรเกิดขึ้นเรารู้ลูกเดียวเลยลองรู้ใจเราแล้วจะมีเครียดหรอกตามสถิติคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะไม่มีบ้าสักคนเลยนะไม่มีเลยมีแต่ว่าเขาหามกันต้องแร่งมานะมาจากที่อื่นนะจริงๆไม่อยากรับเลยแก้คนที่ผิดปกติไปแล้วคนหนึ่งนะเสียเวลาสอนคนทั่วๆไปทั้ง20่สิคนเลย งั้นฟังหลวงพ่อให้สบายๆนะฟังแล้วคลายออกก่อนคลายออกเสร็จแล้วเสียดายคุณไม่ได้มาเมื่อวานเข้าส่งกันบ้านกันนะคุณจะรู้สึกเลยว่าทําไมธรรมะที่คารวะแต่และคนพูดออกมานะมันลึกซึ้งมันแหลมคมแล้วมันถ่ายทอดออกมาจากจิตจากใจซึ่งเกิดจากการภาวนาทั้งนั้นเลยน่าฟังมากแต่ถ้าเราเอาบังคับเอาบังคับมาเราก็เครียดไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรหรอกใจถึงถึงนะใจถึงไหม เลิกนั่งสมาธิได้ไหมเป็นความเคยชิ น, นเออเลิกซะเคยชินก็เลิกซะเพราะทำแล้วเครียดทำแล้วเครียดทำผิดนะ่ะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะกลับไปนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ถ้าจิตใจของเราเดินถูกก่อนนะถ้าจิตใจเราเดินถูกอยู่นั่งอยู่เราก็นั่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเดินทุกก้าวที่เดินเรียกเดินจงกรมทั้งหมดเลย ขนาดเดินข้ามถนนเดินช้อปปิ้งก็เป็นการเดินจงกรมทั้งหมดเลยมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลาเป็นเองอะ่ะส่วนที่เรานั่งบังคับตัวเองบังคับตัวเองไม่ได้อะไรหรอกได้แต่บังคับเอาได้ความเหน็ดเหนื่อยนะการที่ทําบังคับตัวเองทําให้เหน็ดเหนื่อยทั้งกายเหน็ดเหนื่อยทั้งใจเขาเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยค ก, การกดข่มบังคับตัวเองทําจิตใจทําร่างกายของเรานะให้แห้งผากเลย เป็นอัตตากิมัฏฐานุโยคเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามนะส่วนกามสุขานิกานุโยคเนี่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปชุ่มด้วยกิเลสเรียกว่ากามสุขานิกานุโยคเราไม่ทำสองสิ่งนี้ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเหล้วไหลตลอดเวลานะในขณะเดียวกันเราไม่ได้กดข่มร่างกายจิตใจจนรู้สึกแห้งผากทุกทรมานเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกไปเรื่อยๆด้วยจิตใจที่เบิกบานด้วยจิตใจที่ร่าเริง คนภาวนาแล้วจิตใจจะเบิกบานร่าเริงนะมีธรรมปิติหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยมีปิติในธรรมะนะไม่ใช่แห้งแรงแข็งกระด้างมีแต่ความชุ่มชื่นสมัยพุทธกาลนะมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเดินผ่านพวกพระไปแล้วก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกหน้าอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริงนะไม่ใช่สงบงี้นะ โอ้หลวงพ่อทำได้เป็นวันๆนะจิตชนิดเนี้ยทำมาตั้งแต่เด็กก็ไดนะ้ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยสงบแต่ร่าเริงมีธรรมปีติหล่อเลี้ยงจิตใจนะใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมเหลือไปแล้วบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมไม่บังคับบังคับแล้วจะทำให้เครียดที่หลังไหลคอของัของคอแของ็ขงเลยเครียดไปหมดเลยนะเครียดใช้ไม่ได้ ยิ่งภาวนาแล้วยิ่งพิกลพิการไปไม่ได้นะภาวนาแล้วจิตใจมีความสุขร่างกายมีความสุขค่อนคลายทั้งจิตใจทั้งร่างกายเนีย่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจมันไหลไปไม่ทันไม่เป็นไรแต่รู้ไหมที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้มันไปคิดแล้วมันลืมตัวเองไปมันลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจก็ไม่ดีบังคับกายบังคับใจก็ไม่ดีมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลย รู้สึกไหมใจเราหัวเราะไปอย่างนั้นแต่ใจเราข้างในยังแข็งแข็งอยู่เนี่ยให้รู้ไปรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆรู้สึกไหมไอ้ที่แข็งตะกี้คลายไปแวบหนึ่งแล้วแล้วกลายเป็นนิ่งๆรู้สึกไหมมันมันแข็งแล้วคลายสบายแล้วก็กลับมานิ่งๆตอนนี้จิตมันฟุ้งซ่านอีกแล้วจากนิ่งเปลี่ยนเป็นฟุ้งซ่านแนละ้ดูอมกไหมมันไหววับวับ ว, บวบนะัไม่ต้องทันนะตามรู้ไปเรื่อยๆ ที่หลวงพ่อบอกให้เนี่ยไม่ใช่ตำหนีตีเตียนนะกำลังหัดให้ดูสภาวะการที่จิตเราจำสภาวะได้แม่นต่อไปสติจะเกิดเองถ้าสติเกิดเองเนี่ยเราจะรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายไม่รู้สึกตัวอย่างแห้งแรงแข็งกระด้างจะรู้สึกตัวแต่ผ่อนคลายเนี่ยตอนนี้เริ่มไปอัดอีกแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ไม่ทำถ้าทำจะกลับไปอคอกเลดอย่างเก่าเลิกปฏิบัติไป ยิ้มทีหนึ่งก่อนรู้สึกไมมใจตรงนี้โลภ ก, กว่าใช้ใจที่ธรรมดาที่สุดเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้บังคับไว้น ะ, ะมีอีกไหมได้อีกสักคนหนึ่งอ่ะให้สองคนนะสองคนนี้น้อกจากคนเบอร์1ิบอ่ะมีความสุขมากเวลานั่งสมาธินะคะเพิ่งมาครั้งแรกฝึกแบบอนาปาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะไปเรียนมาจากไหนใครสอนให้เรนจาก ถ้าถือเป็นอาจารย์ก็คืออาจารย์สัมติกโลท่านเคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาแล้วท่านศึกไปแล้วอยู่ที่อเมริกานะคะแต่ว่าฝึกฝึกอย่างที่ฝึกนั่นแหละฝึกต่อไปนะแต่ว่าพอเราหายใจไปแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงนะให้คอยรู้ทันไปค่ะไม่หายใจเอานิ่งนะมันนิ่งอะค่ะแล้วก็แต่หายใจแล้วให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปเช่นหายใจไปแล้วใจนิ่งก็รู้อีกเวลานึงหายใจอ ย, อยู่ใจไปฟุ้งซ่านก็รู้นะ หายใจไปแล้วจิตเกิดปิติก็รู้จิตมีความสุขก็รู้จิตไม่สบายเลยก็รู้หายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้หายใจแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเอาจิตเป็นตัวตั้งเอาการหายใจเป็นแบ็กกราวน์นะอย่าเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งนะจะกลายเป็นสมถะเอาจิตเป็นตัวตั้งไว้เนื่อหายใจไปงี้แหละแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆถึงจะพัฒนาได้หลวงพ่อฝึกอานาปนาสติ22ปีนะ เล่นอยู่นานทําได้แต่สมถะเพราะอะไรเพราะเอาเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งแล้วเอาจิตไปเป็นลูกน้องของลมหายใจค่ะจิตถูกขังอยู่ด้วยลมหายใจมันเหมือนรู้สึกมีความสุขแต่ว่าไม่ไม่มันก็ราคาญด้วยะคะ่ะเออนั่นแหละเห็นไหมความสุขก็ไม่เที่ยงมีราคาญด้วยค่ะแล้วก็มันมีความอยากมากที่จะ จะไปต่ อ, อ, อที่จะพิจารณาไตรลักษ์แต่ว่ามันไตรลักษ์ไม่ได้เอาไวพ้พิจารณาไตรลักษ์เอาไว้รู้เอาเพราะฉะนั้นกานที่ใจเราเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้นั่นแหละแสดงไตรลักษ์อยู่เพราะฉะนั้นให้ใจเป็นตัวเอกนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าลมหายใจเป็นแบ็กกล่าวแล้วก็หายใจไปจิตใจเป็นยังไงก็รู้หายใจแล้วไปคิดก็รู้ไปเพ่งก็รู้หายใจแล้วฟุ้งซ่านก็รู้สงบก็รู้ สงบแบบมีปีติก็รู้สงบแบบมีความสุข ก, ก็รู้สงบแบบอุเบกขาก็รู้ขอบคุณค่ะหาใจเป็นหลักนะ เ, เบอร์18ปเบอร์18คนสุดท้ายนะคนนี้ฝึกหายใจหลวงพ่อกำลังจะหมดลมหายใจแล้วหายใจไม่ทันเหนื่อยกลับธรรมสการค่ะ เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝึกสมาธิมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็มาฝึกรู้ตัวตามหนังสือขอ ง, ของหลวงพ่อกับเทป ค, ค่ะกราบขอคําแนะนําค่ะทําให้สบายกว่านี้นะแข็งเกินไปจงใจแรงไปปล่อยนะปล่อยให้ผ่อนคลายรู้สึกไหมเ ร, เราแข็งกว่าคนทั่วทั่วไปเ ป, เป็นบางครั้งอะค่ะต้องให้ผ่อนคลายนะภาวนาใช้จิตใจธรรมดาธรรมดานี้แล้วก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจธรรมดานี้ไปเรื่อย ถ้าใจเราไปนิ่งซะมันไม่มีใจรักให้ดูมันก็นิ่งๆอยู่งั้นเองแต่ไปคิดแล้วทราบไหมมันหลแวบไปคือตอนนั้นพอดีได้คุยกับน้องป้อมมาหาก็บางครั้งมีความรู้สึกว่าตัวเองสงสัยว่าใช่ภาวะรู้ตัวหรือเปล่าพอดีน้องป้อมก็ให้คําแนะนําว่าก็ให้รู้ว่าสงสัยก็เลยแบบเหมือนว่าให้ตามรู้ไปไปเรื่อยๆนะคะแต่มันก็จะมีบ้างบางแวบที่แบบคิดว่าเออใช่หรือเปล่าอ ะ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรให้รู้ความรู้สึก ที่แปลกปลอมขึ้นมาสดๆร้อนๆเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆนะดีเนี่ย้อมพาไปให้ตุนสอนให้ก็ได้แบ่งๆกันเ <c oughs> ออแถมให้อีกคนหนึ่งอ่ะอยากขอคำแนะนำเหมือนกันนะคะพระาอาจารย์ยังบังคับอยู่เหมือนกันแหละต อ, ห ต, อตอนนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ใจมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อแวบหนึ่ง <c oughs> ดวออกไหม <c oughs> ค่ะเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยๆ ใจอยากพูดแล้วรู้ไหมไม่มีแรงดันยี้กยิ้ยิ ก, กอยู่ในหน้าอกเนี่ยหลวงพ่อก็แนะนําให้ดูจิตดูไปเลยเพราะเราเป็นคนคิดมากคิดมากต้องดูจิตเหรอเห็นไหมยังคิดไม่เลิกเลยไหมคิดอุตรุษเลยเนี่ยงงแล้วรู้สึกไหมงงรู้ว่างงบังคับตัวเองให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมไม่บังคับ ผ่อนคลายนะจำไว้นะการภาวนาต้องผ่อนคลายถ้าภาวนาแล้วเคร่งเครียดทําผิดแน่นอนเพราะจิตที่เป็นมหากุศลจิตผ่อนคลายเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ตามที่เขาเป็นนะจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทื่อเป็นอกุศลจิตชนิดโทสะมูลจิตนะมียี่ห้อด้วยนะ แล้วส่วนใหญ่เป็น ส, สังการลิกังจงใจทำขึ้นมาเอง mm hmm. ทําชำนานาญมันแค่เป็นอสังการลิกังไม่ต้องตั้งใจมันก็แข็งเองอย่างนุ่มเนี่ยมันจะนิ่งของมันเองด้วยความเคยชินคุณเนี่ยมันจะแข็งเองใช่หไหมด้วยความเคยชินงั้นขั้นแรกสุดผ่อนคลายนะผ่อนคลายเไปเชิญกลับบ้านไป